จเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2545ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน10เป็นวันพระเป็นวันที่ศรัทธาญาติโยมพร้อมใจกันมาประกอบศ า, ศาสนาคิจ อันเป็นกิจที่พึงกระทำอย่างต่อเนื่องเพราะจะนำมาซึ่งบุญและกุศลนำมาซึ่งความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงมีข้อวัดปฏิบัติอยู่ข้อหนึ่งฤกษกิจวัตรของพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความสาคัญทรงสั่งสอนและทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวันเสด็จจับขันปาริณิพาน ข้อวันนี้ก็คือการออกบิณฑบาตโปรดสัตพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าเป็นกิจที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพระภิกษุจึงได้กำหนดไว้ให้พระอุปชาต้องสั่งสอนพระภิกษุบวชใหม่ทุกลูปในอนุสัตร์อนุสาตต์ก็คือคำสอนที่อุปชาจะสอนให้กับพระภิกษุที่บวชใหม่ มีอยู่แปดข้อด้วยกันแบ่งเป็นสองส่วนสี่ข้อแรกเรียกว่ากิจที่พึงกระทาและสี่ข้อหลังเรียกว่ากิจที่ไม่พึงกระทากิจที่พึงกระท า, ทะทานั้นก็ประกอบด้วยหนึ่งการออกบัญญัติเลี้ยงชีพสองอยู่โคนไม้อยู่ตามโคนไม้สานุ่งผ้าบางสุกุล สี่ฉันยาดองน้ำมูดเป็นเครื่องรักษาโาครคภัยไข้เจ็บนี่คือสิ่งสี่อย่างที่ภิกษุควรจะขวนขวายตลอดชีวิตเพราะเป็นการอยู่แบบง่ายอยู่แบบไม่รบกวนผู้อื่นทำให้เป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายแล้วจะนำมาซึ่งความสงบสุขเป็นเครื่อง ทำให้จิตใจไม่ว้าวุ่นขุนมัวไปกับกําลังของกิเลสตัณหาทั้งหลาย <c oughs> นี่คือกิจที่พระภิกษุพึงกระทำํำส่วนกิจที่พระภิกษุบุตรบวชใหม่ไม่พึงกระทํำก็มีอยู่สี่หนึ่งได้แก่การไม่เสพเมถุนคือการไม่ร่วมเพศกับผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าหญิงหรือชายสองการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 3. การไม่ลักทรัพย์ 4. การไม่อวดอุตริมนุษธรรมคือไม่อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตัวถ้าละเมิดข้อหนึ่งข้อใดทั้งสี่ข้อนี้ทรงให้ขาดจากการเป็นพระภิกษุทันทีผู้อื่นจะรู้หรือไม่กระามเมื่อภิกษุรูปนั้นได้กระทาได้ละเมิดข้อห้าทั้งสี่ข้อนี้แล้ว พระพุทธองค์ทรงถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระภิกษุแล้วถ้าเป็นต้นตานก็เหมือนต้นตานที่ยอดด้วนแล้วอยู่ต่อไปในเพศก็ไม่ไม่มีโอกาสที่จะเรินรุ่งเรืองได้นี่ก็คืออนุสาที่พระพุทธเจ้าทรงให้พระอุปัชฌายะทรงสั่งสอนพระภิกษุผู้บทใหม่ซึ่งมีข้อบิณทบาต ไว้อยู่ด้วยหนึ่งข้อนอกจากนั้นยังทรงสอนในทุดงควัส13บข้อก็มีข้อบิณฑบาตอยู่ในหนึ่งในส3าข้อคือให้ถือการบิณฑบาตเป็นวัดคือเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติทุกๆวันถ้าตราบใดยังจะต้องรับประทานอาหารยังจะต้องฉันจังหันอยู่ก็ให้ออกบิณฑบาต พอพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนอกจากนั้นแล้วในพุทธกิจหคือกิจที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติทุกๆวันมีอยู่ห้าข้อด้วยกันและหนึ่งในห้าข้อนั้นก็คือการออกบิณฑบาตพระพุทธเจ้าจะออกบิณฑบาต ท, ทุกเช้าหลังจากนั้นตอนบ่ายก็จะอบรมสั่งสอนญาติโยมในตอนค่ำจะอบรมสั่งสอนภิกษุสามเณร และในยามดึกจะตอบปัญหาเทวดาและก่อนที่จะออกบิณฑบาตในตอนเช้าจะทรงเรงยานดูว่าวันนั้นจะควรไปโปรดผู้ใดให้เขาได้มีดวงตาเห็นธรรมให้เขาได้บรรลุธรรมถ้าจิตของเขาพร้อมที่จะรับธรรมของพระพุทธเจ้านี่คือจิตจวัตห้าอย่างห้าข้อที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติ ทุกๆวันเป็นปกติมีก็มีการออกบินทบาตเป็นเป็นข้อกิจวัตรของพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยนอกจากนั้นแล้วในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรูวพระอนุตตราสัมมาสัมพุทธิยานเป็นพระพุทธเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว หลังจากได้จำปรรษาในปรรษาแรกนั้นแล้วก็ได้รับอาราธนาได้รับนิมนต์จากพระพุทธบิดาให้ไปโปรดในพระราชวังตอนที่พระพุทธองค์เสด็จไปในพระราชวังในพระราชวังพระพุทธองค์ก็ทรงเดินบินธบาตเข้าไปในวังเมื่อความทราบถึงพระพุทธบิดาทรงเกิดความไม่พอพระใยเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าเมื่อทรงพบพระพุทธเจ้าจึงทรงกราบทูลถามว่าเหตุใดพระพุทธองค์จึงเดินขอทานเข้ามาในวังพระพุทธพระพุทธองค์ทรงตอบไปว่าการออกบิณฑบาตนี้เป็นกิจวัตรที่บรรพบุรุษของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรงพระพุทธทรงปฏิบัติมาพระพุทธบิดาไม่เข้าใจก็ทรงคิดว่าหมายถึง บรรพบุรุษของพระพุทธบิดาก็ทรงย้อนกลับไปว่าในบรรดาบรรพบุรุษของของพุทธบิดาก็ไม่มีใครเป็นขอทานสักรายหนึ่งพระพุทธองค์บอกว่าบรรพบุรุษของพระองค์นั้นไม่ใช่บรรพบุรุษของพระพุทธบิดาแต่เป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตที่เคยมาปรากฏในโลกนี้มาตรสรุสอนธรรม พระพุทธเจ้าทุกทุกรูป ก, ก็จะทรงออกบินทบาดโปรดสัตว์เป็นกิจวัตรเป็นปกติมาตลอดเพราะเหตุใดเพราะว่าการออกบินทบาดนี้เป็นการส่งเสริมความวิริยะความภาคเพียนอุตสาหะทําให้เป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายทำเป็นเครื่องช่วยปราบพิเลตตันหาที่มีอยู่ยในใจภิกษุ มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้มาบวชเพื่อหาลาบสการะหาความอิ่มหนำสำราญจากอาหารขาวหวานต่างๆที่ญาติโยมนำมาถวายแต่มาบวชเพื่อมาชำระความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาอันเป็นเครื่องเศร้าหมองอันเป็นอันเป็นโซ่ตรวนที่ผูกให้ สัตว์โลกทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดการออกบิณฑบาตนี้จะช่วยให้พระภิกษุที่ออกบิณฑบาตนั้นมีความภาคเพียรมีขันติความอดทนมีความสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายยินดีตามบีตามเกิดไม่จู้จี้จุกจิกไม่หลงไปตาม ความอยากของลิ้นของตาของจมูกที่ชอบรสอาหารที่ถูกอกถูกใจทั้งหลายแต่ให้ถือว่าการรับประทานอาหารนั้นรับประทานเปรียบเหมือนกับเรารับประทานยายาเวลาเรารับประทานเราก็ไม่สนใจว่าจะมีสีอย่างไรจะมีรสชาติอย่างไรเรารู้ว่าเราจะต้องรับประทานนี้ยาเข้าไป เพื่อจะได้รักษาโรคภายในใจให้หายไปฉันใดการรับประทานอาหารก็เป็นการรับประทานอาหารเพื่อไประโยวยาความหิวความกระหายของร่างกายให้หมดไปและอาหารทั้งหลายไม่ว่าจะดีเลิศขนาดไหนจะมีราคาแพงหรือราคาถูกจะมีขายอยู่ในตามข้างถนนหรือตามร้านอาหาร ที่มีราคาแพงๆนั้นเมื่อรับประทานเข้าไปในปากแล้วก็ต้องผสมกับน้ำลายต้องถูกเคี้ยวถูกกลืนเข้าไปรวมกันในท้องในที่สุดดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดไหนแบบไหนก็ต้องเข้าไปรวมกันอยู่ในท้องเหมือนกันดังนั้นเราจะทำไมต้องไปจู้จี้จุกจิกกับอาหารที่เรารับประทาน ว่าจะต้องแยกกันเป็นสัดเป็นส่วนว่านี่คืออาหารขาวนี่คืออาหารหวานนี่คือผลไม้ในเมื่อถ้าเรารับประทานอาหารเพื่อเยียยาร่างกายเราแล้ ว, ลวก็ไม่เห็นจำเป็นที่เราจะต้องไปกังวลกับเรื่องอาหารให้มากนะอย่างพระที่วันนี้ท่านก็ถือทุตดงควัดข้อที่ชั้นในบาทเป็นวัดคือให้อาหารต่าง รวมกันไว้ในบาทไม่ต้องไปแยกไปแยกมันอาหารข้าวหวานมีอะไรก็ใส่เข้าไปในบาตเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันในท้องอยู่ดีรวมกันในบาทก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนเพราะว่าการรับประทานเราไม่ได้รับประทานเพื่อรสชาตินั่นเองแต่รับประทานเพื่อรังับดับทุกขเวทานาที่เกิดจากความหิวกระหายของร่างกายนี่แหละคือ วิธีที่จะนำความสุขและความเจริญมาให้กับผู้ปฏิบัติเพราะว่าจะไม่มีความกดดันมากเกี่ยวกับการรับประทานอาหารบางคนเวลาจะรับประทานอาหาร <c oughs> เคยรับประทานอาหารอยู่กับบ้านก็รู้สึกว่าไม่อร่อยกินไม่ได้ต้องออกไปข้างนอกไปที่ร้านไกลๆขับรถไปเสียเงินเสียทอง เสียเวลาเพื่อที่จะรับประทานอาหารเพียงมือเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าคนที่ฉลาดแล้วจะรู้วิธีแก้ปัญหานี้อย่างง่ายดายสมมุติว่าถ้าเราเบื่ออาหารที่เรารับประทานในบ้านเราเราก็บอกว่าลรงอดอาหารสักวันสองวันดูซิเป็นอย่างไรไม่ต้องไปกินมันถ้าเบื่อก็ไม่ต้องไปกินมันกินแต่น้ํา นี่คือวิธีดัดกิเลสตัณหาของเราที่ชอบจู้จี้จุกจิกชอบเลือกอาหารแปลกแปกใหม่ๆรับประทานถ้ามันเ <c> บ <oughs> ื่อก็อยากไปกินมันสักวันสองวันแล้วหลังจากนั้นดูกินข้าวเปล่าคลุกกับน้ําปลาก็จะอร่อยเพราะเวลาเมื่อเวลาท้องมันแห้งมันไม่มีอาหารอยู่ในท้องแล้วใจมันจะไม่ค่อยจู้จี้จุกจิกเท่าไหร่มีอะไรก็ยินดีรับประทานได้ ขอให้เราจงเข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นจะไม่มีความสุขเลยถ้าเราถูกกิเลสตัณหาคอยเป็นผู้ชี้นำคอยบอกคอยสอนให้เราทำสิ่งต่างๆนานาแต่เราต้องเอาธรรมะคำสอนของพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องชี้นำเป็นเครื่องนำพาเราไปแล้วชีวิตของเราจะดำเนินไป ได้ด้วยความสุขด้วยความสบายไม่ต้องดินรนให้มากมายจนเกินกำลังสร้างความทุกข์ความเหนื่อยยากไปเปล่าๆ เ, เพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่มีความจำเป็นมากนะักสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตก็เพียงแค่ปัจจัยสี่เท่านั้นเองคืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค อาหารก็ดังที่ได้แสดงไว้แล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาหารที่มีราคาแพงๆอาหารก็เป็นอาหารเหมือนกันทั้งนั้นอาหารราคาแพงก็มาจากตลาด mm hmm. มาจากท้องนาท้องไร่เหมือนกันอาหารถูกที่ขายตามข้างถนนก็มาจากตลาดมาจากท้องนาท้องไร่เหมือนกันเป็นอาหารแบบเดียวกันเมื่อกินเข้าไปในท้องก็ให้เกิดความอิ่มเหมือนกัน ดังนั้นขอให้เราจงอย่าไปหลงกับเรื่องของอาหารมากจนเกินไปขอให้สำเนียกขอให้พิจารณาอย่างแยกายทุกครั้งว่าเรารับประทานอาหารนั้นเพียงเพื่อดับความหิวความอาหายของร่างกายเราไม่ได้ได้รับประทานเพื่อความสนุกสนานเพื่อความเพื่อรสเพื่อชาติเพื่อความสนุกสนานเฮฮา เพื่อความสุขเท่านี้ก็พอส่วนเสื้อผ้านั้นก็มีไว้ใส่สำหรับปกปิดร่างกายป้องกันอากาศหนาวรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความจำเป็นจะต้องใส่เสื้อผ้าราคาแพงๆถ้าเราไม่อยู่ในฐานะที่จะไปซื้อมาใส่ได้เสื้อผ้าชนิดไหนก็ได้ขอให้ปกปิดร่างกาย ให้ป้องกันอากาศหนาวรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้เป็นปกติก็ใช้ได้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีมากมายมีเพียงพอสำหรับผัดเปลี่ยนไปก็พอแล้วอย่างพระพุทธเจ้าสอนพระให้ถือผ้าครองสามผืนท่านั้นคือให้มีผ้าหม่มผ้านุ่ง แล้วก็ผ้ากันหนาวเอกผืนหนึ่งเรียกว่าผ้าผ้าไตรจีวรมีสามผืนนี้ก็อยู่ได้แล้วสำหรับสัมณนาเพศพอกับความจำเป็นของชีวิตดังนั้นเวลาญาติโยมจะใช้เสื้อผ้าทุกครั้งก็ข อ, ขอให้พิจารณาด้วยความแยกคายว่าเราใช้เสื้อผ้านี้ด้วยเหตุผลอันใดถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ เสื้อผ้าชนิดนั้นหรือชนิดนี้ก็มีไว้ไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าอยากจะมีเพราะเห็นว่าสวยเห็นแล้วถูก อ, อกถูกใจคิดว่าเมื่อใส่เสื้อผ้าชุดนี้ก็ไปแล้วจะกลายเป็นคนวิเศษขึ้นมาเป็นคนดีขึ้นมาถ้าเป็นความคิดอย่างนี้ก็ขอให้ทำความเข้าใจว่าเป็นความเข้าใจผิดเพราะความดีความวิเศษของคนเรา ไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าที่เราใส่แต่อยู่ที่คุณธรรมในใจของเราพอเราจะดีจะวิเศษนั้นอยู่ที่ความมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีเป็นคนเสียสละไม่ใช่เป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวต่างหานี่คือคุยงามความดีของคน ถ้าเราอยากจะให้เป็นตัวเราเป็นคนดีเป็นคนที่มีสเสน่ห์ mm hmm. ก็ขอให้เราสะสมคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ไว้เถิดแล้วจะเป็นที่ชื่นชมยินดีเป็นที่รักของคนทั้งหลายต่างกับคนที่แต่งตัวสวยๆใส่เ ส, สื้อผ้าราคาแพงๆ แ, แต่เป็นคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ฉุดจริตเป็นคนชอบ โกหกพูดโกหกพูดปดมดเท็จหลอกลวงเป็นคนที่เผลอไม่ได้จะต้องรักจะต้องขโมย <c oughs> จะต้องทำร้ายผู้อื่นเป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวถ้าคนอย่างนี้ <c oughs> จะไปอยู่กับใครที่ไหนก็ไม่มีใครปรารถนาที่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยเพราะจะสร้างแต่ความ ทุกความเสียหายให้กับผู้อื่นนั่นเองเปรียบเหมือนกับเป็นเดรัจฉานเป็นอสสรพิษอสสรพิษเราก็รู้ว่าเป็นพิษเป็นภัยอย่างไรไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ฉันใดคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ก, ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันถ้าเราต้องการให้ตัวเราเป็นคนที่สวยที่แท้จริง ขอให้เราหาอาภรณ์ทางภายในคือศีลธรรมมาพุ่มห่อจิตใจของเราไว้เถิดเถิดแล้วเราจะเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมน่ายินดีเสื้อผ้า อ, อาภรณ์ก็มีไว้พอสมควรคือไม่ให้ดูจนกระทั่งหน้าเกลียดจนเกินไปบางคนเห็นว่าเสื้อผ้า อ, อาภรณ์ไม่สำคัญก็เลยไม่สนใจไม่ดูแล บางทีใส่เสื้อผ้าไปเป็นวันๆก็ไม่ไม่คิดที่จะเปลี่ยนไม่คิดที่จะนำไปซักให้สะอาดใส่ไปเวลาไปไหนคนก็ทนกลิ่นไม่ได้ถึงแม้จะเป็นคนที่เสื่อสะอาดสุจริตแต่ถ้าเสื้อผ้าที่ใส่นั้นไม่รู้จักรักษาซักให้สะอาดไม่ให้มีกลิ่นคนก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าใกล้เหมือนกันเราต้องรู้จักความพอประมาณคือรู้จักความ พอดีนั่นเองเสื้อผ้าก็มีไว้ใส่เมื่อมันสกรปรกมันเปื้อนมีกลิ่นเหม็นเราก็ควรที่จะนำไปนำไปชำระเอาไปซักเสียเพื่อที่จะได้สะอาดแล้วนำมาใส่ใหม่เช่นเดียวกับร่างกายของเราร่างกายของเรานั้นก็เป็นร่างกายที่มีแต่ความสกรปรกมีแต่น้าเงือคขี้ใคร ที่ไหลออกมาตามขุมขนต่างๆในร่างกายของเรานั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นร่างกายที่โสโปรกเป็นปฏิกูลเป็นร่างกายที่ไม่สวยงามมีอาการสามสิบสองที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเข้าไปถ้าเราสามารถมองทะลุผิวหนังเข้าไปได้แล้วเราจะรู้เลยว่าร่างกายของคนเ่านั้นไม่สวยงามเลย มีอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆมีสิ่งเน่าเหม็นต่างๆที่ไหลออกมาตามทวาลต่างๆถ้าไม่ได้ชำระร่างกายทิ้งไว้ร่างกายนี้ก็จะส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมาเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีเลยฉะนั้นขอให้เราจงทําความเข้าใจว่าร่างกายของเรานั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่วิเศษวิโสอะไรเป็นเพียงแต่ เครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้นที่จิตนำมาใช้ถ้าจิตฉลาดก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์คือมาทำคุณงามความดีอย่างที่ญาติโยมได้มากระทำกันในวันนี้คือมาทำบุญทาทานมารักษาศีลมาไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมชำระสิ่งโสกโปกภายในใจให้หมดไป คือชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆถ้าเราใช้ร่างกายไปในทางนี้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราจะเจริญรุ่งเรืองจิตใจของเราจะมีความสงบมีความสุขเพราะความสงบความสุขนั้นเกิดจากการปราศจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนั่นเองถ้าเรามีกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมอง มากน้อยเท่าไหรอยู่ในใจเราก็จะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจมากน้อยตามไปด้วยเท่านั้นดังนั้นเราอย่าไปขวนขวายสะสมกิเลสตัณหาให้มากขึ้นไปแต่เราต้องพยายามลดละกิเลสตัณหาให้มันน้อยให้มันหมดไปเวลาเราต้องการอะไรเราอยากอะไรก็อย่าใช้อารมณ์ขอให้ใช้เหตุผล ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องหามาให้เหนื่อยยากลำบากเปล่าๆอย่างเสื้อผ้าที่เมื่อกี้นี้ได้แสดงไว้ถ้าเรามีพอแล้วใส่ไปจนกระทั่ง <c oughs> ชีวิตนี้จะหาไม่ <c oughs> ก็ยังใช้ได้อยู่ก็อย่าเพิ่งไปหาซื้อมาใหม่เลยเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆทำให้เราต้องไปหาเงินหาทองมาและเงินทองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่หาง่าย แล้วเวลาเราหาเงินทองนี่บางทีเราก็ต้องไปผิดศีลผิดธรรมต้องไปพูดโกหกหลอกลวงผู้อื่น <c oughs> ซึ่งเป็นการสร้างกิเลสตัณหาสร้างบาปสร้างกรรมให้เกิดขึ้นมาในใจให้มีมากยิ่งขึ้นไปอีกสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้มีมากขึ้นไปอีกถ้าเราสามารถระงับระงับดับความอยากความโลภได้ด้วยเหตุด้วยผลแล้ว ใจของเราก็ไม่ต้องไปทําบาปทํากรรมไปเด่นรนให้เหนื่อยยากเมื่อใจไม่ต้องไปเด่นรนใจก็จะมีความสงบ ก, ก็มีความสุขมีความสบายใจ <c oughs> นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงมันอยู่ในใจของเรามันไม่ได้อยู่กับสิ่งของต่างๆอยู่ภายนอก <c oughs> คนเราไม่ว่าจะรวยหรือจะจนนั้น <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของความสุขภายในใจความสุขภายในใจนั้นจะแตกต่างกันก็อยู่ที่ว่ามีความโลภมีกิเลสมีตัณหามากน้อยกว่ากันเท่าไหร่เท่านั้นต่างหากถ้ามีกิเลสตัณหามากในใจก็จะมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมากไปถ้ามีกิเลสตัณหาน้อยความทุกข์ ความวุ่นวายใจก็จะมีน้อยถ้าไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาอยู่เลยก็จะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเลยอย่างพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายนั้นท่านก็ไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเลยเพราะท่านได้ชำระกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจของท่านแล้แลวนั่นเอง ใจของท่านจึงมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอท่านจึงไม่ต้องไปขวนขวายไปหาทรัพสมบัติเข้าของต่างๆภายนอกเหมือนกับพวกเราทั้งหลายกำลังขวนขวายหากันเรากำลังหาเงินหาทองกันหายศหาตำแหน่งสูงๆหาสารสริญหาการมมาสุขเพราะเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีมากๆแล้ว เราจะมีความสุขกันแต่เราหารู้ไม่ว่าเรากำลังสะสมกองทุกข์เพราะราบยศสรรเสริญและการมาสุขนั้นเป็นความเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเพราะเหตุใดเพราะธรรมชาติของเขานั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าจะหมดไปเมื่อไหร่มีวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้ เมื่อไม่มีแล้วก็จะนำซึ่งมาซึ่งความทุกขนะ์ดังนั้นเราจึงต้องทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้คือลาบยศสรรเสริญกามาสุขนั้นไม่ใช่เป็นความสุขแต่เป็นความทุกข์ถ้าเราจะมีมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้เรามีความระมัดระวังอย่าไปหลงอย่าไปยึดอย่าไปติด คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เวลามีเราก็ใช้มันไปสัมผัสมันไปเสพมันไปแต่ต้องทำความเข้าใจว่าถ้าเวลาไม่มีเราจะต้องอยู่ได้ถ้าเราอยู่ได้เราไม่มีก็แสดงว่าเราไม่ติดถ้าเราอยู่ไม่ได้ก็แสดงว่าเราติดแล้วเหมือนกับติดยาเสพติดยาเสพติดคนที่เขาไม่เสพ เขาก็อยู่ได้เวลามีหรือไม่มีเขาก็ไม่เดือดร้อนแต่คนที่เสพติดยาเสพติดเข้าไปแล้วเวลามีก็มีความสุขเวลาได้เสพก็มีความสุขแต่เวลาไม่มีก็เกิดความทุรนทุรายเกิดความอยากอย่างมากจนกระทั่งไม่สามารถอยู่เฉยๆได้ต้องออกไปหามาเสพให้ได้ เมื่อหามาด้วยความสุดจริญไม่ได้ก็ต้องหามาด้วยความทุจริญก็จะสร้างปัญหาตามมาต่อไปนี่แหละคือปัญหาของพวกเราทุกคนนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมากหรือมีน้อยตราบใดถ้าพวกเรามีปัจจัยสี่พอเพียงกับการดำรงชีพแล้วเราจะมีมากหรือมีน้อยก็ไม่สำคัญปัญหาของเราอยู่ที่ อุปทานความยึดมั่นถือมั่นต่างหากถ้าเรามีอุปทานคิดว่าเราจะต้องมีสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรอให้เรามีความสุขถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็จะต้องดิ่นรนหาสิ่งต่างๆมาอยู่ไม่รู้จักจบแลนะเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจ แต่ถ้าเราละอุปทานความยึดมั่นความติดอยู่ในสิ่งต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของเราแล้วเราจะอยู่ได้อย่างสบายวันหนึ่งเรามีเพียงแต่มีข้าวกินมื้อเดียวเราก็อยู่ได้แล้วไม่เห็นจะต้องไปทำอะไรแต่ใจของพวกเรานั้นอยู่ไม่ได้เพราะใจของเรายังมีกิเลส มีตัญหาอยู่ยังมีความอยากมีความหิวอยู่นั่นเองถ้าเราไม่มาแก้ที่ตรงใจนี้แล้วคือไม่มาชำระทิเลตตัญหาให้หมดไปจากจิจากใจแล้วต่อให้เราเป็นมหาเศรษฐีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นพัะนาธิบดีเราใจของเราก็ยังจะไม่มีความสุขใจของเราก็ยังจะต้องลื่นลนกอดแกว่ง หาอะไรมาอยู่เสมอเพราะนี่คือธรรมชาติของกิเลสและตัณหาธรรมชาติของกิเลสตัณหาก็คือความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนั่นเองมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอพวกเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้พวกเราก็หาอะไรมามากมายมีอะไรมามากมายแล้วแต่ความอยากความพอความความอิ่มความพอนั้นเกิดขึ้นหรื อ, อยัง ถ้าเกิดมีก็เพียงแต่ช่วขนะหนึ่งเท่านั้นเองเวลาเราได้อะไรมาใหม่ๆเราก็รู้สึกว่าพอรู้สึกรู้สึกว่าอิ่มแต่พอทิ้งไว้สักระยะหนึ่งความอยากก็โผลกลับขึ้นมาอีกเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำลายความอยากนั่นเองเราไม่ได้ทำลายกิเลสความโลภนั่นเองเราจึงต้องมาต่อสู้กับกิเลสตัญหา อย่าพยายามอย่าตามใจกิกเลสตัณหาอันไหนถ้าไม่มีความ จ, จำเป็นต่อการดารงชีพก็อย่าไปเอามันฝืนใจไว้สู้กับมันเช่นสุรานี้เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่ถ้าเราไม่ได้กินสุราเราจะตายหรือไม่มันก็ไม่ตายก็อย่าไปกินมันสุราบุรีถ้าไม่ได้สุมันจะตายหรือไม่ถ้าไม่ได้สุแลไม่ตาย ก็อย่าไปสูบมันจะดีกว่าประหยัดเงินประหยัดทองไวไวใช้สิ่งอย่างอื่นที่จำเป็นไม่ดีกว่าหรือเงิ <inter face> นทองที่หมดไปกับสิ่งที่ไม่จาเป็นนั้นหมดไปเยอะแล้วก็สร้างความกดดันให้เราต้องไปหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยๆแทนที่จะอยู่เฉยๆมีความสุขก็ต้ <c oughs> องออกไปหาเงินหาทองมา ม, มีแต่ความลําบากลาบนอยู่ตลอดเวลา ก็เพราะใจของเรานั้นเป็นธาตุของกิเลสตัณหานั่นเองเราไม่รู้จักต่อสู้ไม่รู้จักล้นละกิเลสตัณหาบอให้กิเลสตัณหาเป็นตัวพาเราไปถ้าเรานำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้แล้วต่อไปเราจะสามารถชนะกิเลสได้